แก็ฉันของยังนั่นมันเบาด้วยของเขามันเบามันมาทับฉันก็วอตายเพราะประทางชีวิตไว้ฉันหน่อยความ่งงของเขานอนมันเกิดหน่อยความป่ายความเพียรมันก็มากมันบานอนหลาย ไม่ค่อยมีอะไ ส่วนตายไปปฏิบัติตัวแบนั้นส่วนตายไปอยู่เชนภรีจะเดินจากเชนภูรีมานี่นี่อะไรตามแรงลมบางให้ต้อมเดินน่ยากตทางมาที่อยากเดียวหยดที่ต้อเดียยวคุณตังพตังมาจะมาอมเดินนี่นะนึงสามสงสา้สองหนึ่งสอ 他杯时，相倾时，纵然多美之言，食尽小食。五花咸杂，五花咸杂，更相空闲，闲闲情。万道受恩，千家皆利。天下恩德，中情皆平等。可思是小何？万道受恩，所未思皆人观念。年多美之言，可思是大圣。天下受恩。 金兵起兵将，将帅高呼到下场表演，踢球球，上百里，双飞飞渡江，李将军力夺中央台。他只讲，金兵纷纷上百里，还是有五百下将。只因为兵马少将，听说飞虎军和飞虎军讲，将军，长沙，江上沙皇。 寂静风声作响，南岳坐坐听声，正是疏打石声。山上冷翠交成簇，寂静。白云舒舒散，歌声外一片苍穹。黄山是寿阳，有高天之气，为最仙名地。如今下小僧已在寿山啊。 เราอยากอสิ่งทั่เาได้กสางานวากนคนวากเป็นคนกปนคนรนคนานควยอยากเปรอยากควากเ็นรวยากนคนวนคนาเนคนยอยกเนวอเปอาเยาก็นรกรอยอยป็กเป็วยอยอาเป้าเป็นอเควย็นรอออนกกอยานาเป็นควรอ เป็นทุนคนรของทางดในเบอกว่เนโจรขโมยผ้าหรือไปไม่็ติไม่ผ้าหมดสามตัวขขอได้เพียงสองตัวหมดไปสองตัวเขาบอกบอกพอตัวเดียวขอจับวันเป็นเสยายเป็นคนมา ยี่ส่ง hey, ยิับกาส้นไป้งทลัวงเส้นต yeah. cool ัวหญ่แ็งตึงติดโสาขร่วมอังที่นี้โชยทงยอดยอดยอดยอดยอดยอดยอดยอดยอยอดยอนยอดยอดยอดอดยอดอดยอดยอดยอดยอดยอยอายอดยอดอยยยอออยดออยอยอ ส่ว่าหี่ก็มาความเีมากกว่าในส่วนตหญ่เป็นการทั้งส่วนที่มีความสัมพันธ์กันท่อายุมากที่สุดนี่เรงหวังสั่งเสียงก็แล้วก็มีายานเนี่ยสอนจิตสอนใจที่มามสกมพั่ธกันในส่วนใหญ่เป็นวิจิ่รที่จิังในส่วนใหญ่ในส่วนใหญ่ตนส่วนใหญ่ในส่วนใ ตั้งทางแล้วแข่งสิ่มารตวงอย่ไปยา่างบู้กองก่อนใช้แล้วต้องสั่งลมเป่าฟุ้บใงบต้ถ่นอ่งวน ยาแมักยาสั่งตาซ้ไก่ใหญ่ือจนไหนมีเลยกว่าไโดนมาต้องยอ่บผิดอะไรไม่มีต่อี้ไกเนื้อจาหุ่นหลงยำยหอไหลกว้งซี้เจ้าล่ือกเพื่อันเป็นเงินสิบเป็นเงินร้อยก็ไม่หมดคนก็หามาให้ จิมีใจเป็นธรร ม, มนั่คือสอนท่านเมื่อมีน้อยก็ดีแหละแต่ถ้ามสิีส่เลตตัญหานีม้มากมันเดกไม่อยู่นี่แต่จะขวบใจฉันวันนี้ดีเช่วยทรมา น, เ, ามานเราเองทรมานตัวพวกเราเองไม่อยู่สอนคนอื่นเขาดัดต้นดานอย่างนี้อ่คนอยากสอนตัวแบบนั้นใจมันก็สาบาย ในตื่นเต้นในหลงไหลแล้วก็มาดเอาใจใส่ดูแลรักษาแลก็เรามาเองนิเขานิมนต์มาเราชอบใจเราอยากไปเราไปไปโดนแบบนั้นเราบายสอนตัววันนี้มาจะดีแล้วจะได้ฝึกนยิ่น้ำขั้นยาอาารจะมีกาลัง ภาวนาต่อไปจับหม้อทั้งยาทั้งมีทั้งยอมคุยให้หลังงานใหญ่คนความภาวนาอุบายใจเด็กตั้หาของตัวยังคุยเที่ยวโตอยู่บอให้คุยไปไหนแต่งอุ้งกี้า แม่าจีนทำิวัร็จแข็งแวนที่ลังแข็งทื่อชื่อจ่าจิ๋มหม้ออยู่เย็นพะโล่สื่อมาแต่จะเข้าใหม่เฉยๆไม่ได้นักจีนชื่อจ่าผเข้าเล่นใจชื่อจ่ได้มาคุยเถจะมาทาความเย็นความเย็นทำไมขาดของมันก็ดีเจ้าจี่ตองตังผู้ใดจะหาควาเรื่องคง มันพูดถึงเหตซผลสาเหตุตังนี้คนส่วนใหญ่ทั่วไปต้องมีคนสองคนอย่างนี้ท่วไปก็ด้เนาก็ดีอะไรก็ดีทั้งหมดสบายทองแย่เนาะความไม่หยัทั้งหมดมันสบายจ่งก้าวไถึงเราที่เราท่เราอยากให้อะไรเลยด่าคนเราคนเราันเําเป็นเรื่อง นองไม่ต้องอยุดจิตใจของตัวเองโดยส่วนใหญ่ถึนจะคิดมากขออานาดไหนก็ไม่ยอมรับเรื่องจิตของตัวโดนหัวโตไปยีบตุว ม, ม ต, ตุ่มบ่อ ข, ของบนให้แผ่นดินไปบนหัวโตวทั้งๆที่มันอยู่นั้นแต่นหนจะไรมาตัวหนราวา ะ, ะวังรักษาโดยบนให้จิงอื่นกิ มนุษย์เรามาเข้าตัวแบบนั้นใน่อเป็นอาจเป็นธรรมให้พาใจไม่มีอาจมีธรรมใจมีอาจมีธรรมถึงเปลีอย่างกับปุกบายไปใจยามปุดจิตปุดใจด้วยสติปัญญาบุรมภาวนาเสริมสติ อย่างนีไปที่อื่นให้อยู่กับตัวจับผิดของตัวละชั่วเลื่อยไปใจก็เบาสบายหากม่ีนี้ที่ใจนาอย่างนั้นไปสถานที่ใดก็ฝางโลกเลื่อยไปไม่มีที่ไหนจะเหมาะสมสำหรับคนคนนั้น ขึ้นาสังตาสามลั่ขวางกุ้ขวางโลวางวเองตังเองก็มีความสุขใจมันจิต ด, ดงแรงออกมากป่าออกมากา ย, ยชั่วขวดชั่วไปตามเรื่องความผักกนภไปหน่อยสำหรับเหลือ <c oughs> ใจของเราเป็นอย่างนั้ น, นตั ว, ว, วเกลียวเสียมันจะมีทางแก้ไ ข, ขนักบชจึงว่าคนใดตีเป็นทานใจว่าตัวเป็นทานยังมีทางที่จะเป็นบันยิดได้จะแก้ไขความชั่วทางกายทางใจให้ตกไปดได้แ้คนใดเป็น ทานแต่พาใจว่าตัวเป็นบัณฑิตคนนั้นเนะ่ะไม่มีทางที่จะแจกไขได้ทานจะแผนคอไปตลอดวันตายถึงกองวของตนมันจะมีทางที่จะแจ้ไขไปเออไปต่าไปแต่เห็นกองขวยของตนเห็นแต่กอง่วย อยู่นอกต้นอยู่กับคนอื่นกับสิ่งอื่นมันก็จะใช้จิตใจของตัวเมดะตามของเคยก่อนตีแกตัวเองหลกบวนเคยเป็นมาแบบหายอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นหนาวหนาวร้อนหนาวนมันเป็นไปตามฐานหนาหนาขีพ้องมัน เกิดเราเกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรใหม่ในโลกแต่จพี่เยนะตามทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ของเก่าของใหม่ไม่มีหรือว่าใหม่เราเห็นใหม่ในความจริงของนั้นมีมาก่อน แดเจัดของเก่าร้อนหนาวองเก่ามีอะไรใหม่นงาเก่าันยนดีมหานั้นแต่หะเองจะหลังกได้้จะไดลี่้มถน้ง้นยาน้กนทิ้งข้ามเดาล่นนเก่เป็นเียงของมัน มี อ, อะไรนี่จะหลงไหลโดยตันเองใจน่ะที่รู้ที่ดูคอยส่องมางจิตใจของตนเป็นของสําคัญรมองดูที่อื่นพวุขทุกอย่เกิดขึ้นจากที่อื่นมักผลไม่เกิดขึ้นจากที่อื่นที่เหลือตัณหาไม่เกิดมาจากที่อื่นนั่นคือมอง ใจของตัวเสมอไปมันอยู่ในอารมณ์อะไรอารมณ์จตมันอาศัยเกาะอยู่เป็นอารมณ์ทางอาจทางธรรมหรือเป็นอารมณ์รมของจีเรตตหาอารมณ์ของโลดูออยู่ภในีิบมตใจอยู่สมัสมใจมาเสืลุมหลง 身在 身, Hence, 身上抹了呢，舒服、สบาย，很。这里空气好啊，太阳呢，很晒的。大家注意，注意，这种草地它容易。天气大热，注意啊！小心点吧。 น้าก็หนาวยาอยู่ตลอดเวลาขึ้นไปตรงนี้จะไปหาลายได้เกียร์ไข่ใหญ่ของตนเพิ่มเติมปัญญาของตนไ้เก็บตามเกียหื้อเกียเวลา าาะอะไรไม่ไดีใครนายที่เดินอะไรนายดูสั้นท่านนะดูน้อยกว่าสั้นท่านนะเลยาว กล่าวไว้เรือมนุษย์ษยเป็นลาอย่างยิ่งโฉมนุษสตปฏิลาภโภคที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาอย่างเปรตเพราะสัตว์อื่นมันมีมากโอกาสเวลาที่จะทาน ราศีพาวานาดับมนุษย์เราพุทแบบจาก็เป็นมนุษย์อรหันต์อรหันต์ก็เป็นมนุษย์ยินยอมยอมยั ก, กเจจกผยเจ้ามนุษย์จะดูที่อื่นหรือภายในมนุษย์ที่จะได้มากใจผนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใช่เป็นมนุษย์แต่ รา่างกายเท่านั้นสมบูรณ์ด้ยวยคุณธรรมของมนุษย์คุณธรรมของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าทรงรรสอนหมายถึงสุวนกับมบทปสิบกกรรมสามบาจีกรรมสี่มโนกรรมสาม 上瓜子皮钱，上盖，上水果皮啊，上瓜子皮啊，上辣椒啊，上青椒，没啥干。但是哈，那瓜子皮，下摆哈，是油油瓜壳的，还是油瓜壳？它要洗出来嘛？黄。就来来，ประโยชน์。为了省上油葱，你在坏蛋皮点嘛？黄。皮内汤，皮点黄。下就南面空气，不少事情。 ในโลกยอได้ของเขาถึงที่จะน้ังของทำสังตถ้าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบอย่างนี้มีทางที่จะะพฤติปฏิบัติให้ถึงมาถึงผลได้มนุษย์สมบูรณ์แบบใสแง่ร่างกายเป็นมนุษย์ความบริสุทธิ์ทางกายวายใจใจไม่มี ไม่มีทางที่จะเพื่อปฎิบัติไม่ถึงกถึงผลดับมนุษย์ที่พระพุทธเ จ, จ้าว่าหายากหรือลาบอันประเสิิอกหมายถึงมนุษย์ที่มีกายวายใจใจบริสุทธิ์อย่างนั้นแต่หา ม, มนุษย์ทุกผู้ทุกคนที่เกิดมา ไปชั่วเป็นลาบอันไปนเสือัวหนาทันแล้วมันไม่เก ป, ปัญหาอะไรมนุษย์เป็นิทีำชั่วทำเสียทำสัำโลกให้เดือดอนี่กว่าตวิวกว่าาดีท่เสือมันร้ายขนาดไหนเขา็ยายามกลัวในเกมเ่ากับมนุษย์ในทาชั่วทาเสียเขามนุษย์ รถเราเกิดเป็นความสุขความเสียก็หนักมากความดีความชีวิตหนึ่งกว่ายินดีชมเต็มที่หนึ่งลอยส่องดินแดงนางสาวตังวังผู้ผู้งสุ มนุษย์สมบูรณ์แบบเป็นต้องยอมต้องดูัวเองจุดหัดดัดตัวทางกายที่เคยช่วงละเคเสียมาชาจะเคยช่วงพยายามละไปใจสึเคยช่วงเคยเห็นผิดละไปฝ่าฟื้นทาผูกคิดในสิ่งที่ผิดเห็นว่าเป็นผิดเป็นภัยว่าเป็น ของชั่วของเสียตาที่จะไปแต่ต้องสีเงาสีเหม็นของสีชั่วสีเสียอย่างนั้นมันจะสะทากตัวของตั ว, วนหน่อยๆเหม็นไปตามพยายามสอนให้จิตเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้น เราเองก็ไม่ชอบคนชั่วตัดอื่นคนอื่น <Code> ก็ไม่ชอบเมื่อไม่ชอบจะไม่ทำกับเขาเดินชั่วควรหรือเขาถ้มชั่วไม่ตองการจะไปโยนให้คนอื่นยามแต่ก็แปลงกายวายใจใจสยิ่ง่อยหนาเขาอทสังตุในที่ ถูกดัดแปลงแก้ไขใจที่ถูกถูกอบรมก็เป็นใจที่ดีใจดีกายคอยดีไปด้วยคอยจางคอยดีไปด้วยใจเป็นตัวสำคัญบงให้ทําให้ผูกผู้ายผู้ไวจาง บ่งมาจากใจที่ทำที่เกิบไปต่าง